แล้วต่อไปผู้ที่มีพหูสูตรสามารถที่จะดํารงอยู่ในวิชาอันไม่มีโทษเขาเพราะว่าความรู้บางอย่างเนี่ยนะความรู้บางอย่างมีแก่คนผานเพื่อฆ่าคนผานอย่างบางคนเนี่ยก็มีความรู้เพื่อฆ่าตัวตายเนี่ยนะมีชายคนหนึ่งเขาคิดได้ว่ายาเสพติดเนี่ยนะถ้าเอาไว้ในกระเพาะลำไส้เนี่ยเขาตรวจไม่เจ อ, อก็เลยกลืนเฮรโรอีนเข้าไปเนี่ยนะใส่แคปซูลใส่อะไรสักชนิดหนึ่งกลืนเข้าไป แล้วมันแตกก็เลยตายในท้องแตกในท้องก็เลยตายเลยไอ้นั้นความรู้นั้นก็รู้เพื่อฆ่าตัวตายบางคนนี่มีความรู้รู้เพื่อฆ่าตัวตายความรู้มีแก่คนผ่านรู้เพื่อทุกข์รู้เพื่อโทษรู้วิธีขับเครื่องบินเพื่อไปชนคนตายอย่างเงี้ยนะรู้วิธีขับรถเพื่อฆ่าคนตายไอ้ความรู้อย่างนี้เป็นความรู้ที่เลวร้ายไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ความรู้ใดๆถ้าเป็นไปเพื่อทุกศีลความรู้เหล่านั้นทางศาสนาเรียกว่าอวิชชา ผู้ที่มีวิชาในที่นี้ก็จะดำรงอยู่ในสิ่งที่ไม่มีโทษไม่มีโทษในปัจจุบันและสำปรายภพเนี่ยนะกลายเป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนในปัจจุบันและสำปรายภพคนที่มีใจรักพระหุสัจจะเนี่ยนะจะมีใจน้อมไปในการรังเกียจการฟังน้อย คือรังเกียจเลยว่าไอการฟังน้อยๆนี่มันสร้างแต่ความเสียหายอย่างสมมุติท่านเรื่องอะไรที่ไหนเรารู้ไม่ไม่จบสิ้นกระบวนความนี่อะไรจะเกิดขึ้นมันมีประโยชน์หรือว่าสร้างโทษกันแน่อย่างสมมุติว่าเราเราฟังคําอะไรแล้วฟังไม่จบอ่ะนะอย่างที่โบราณเขาว่าฆ่าสัตว์ก็ดีรักทรัพย์ก็ดีเป็นต้นไอ้ก็ดีก็ดีซึ่งเข้าใจไม่ถูกต้องเนี่ยนะอะไรนํามาซึ่งอะไรก็เลยบอกว่าเออก็รู้แค่นั้นอ่ะฆ่าสัตว์ก็ดีเอ๊ก็ดีก็แปลว่าก็ไม่เลวนี่ ก็ดีสิก็เลยค่าศาตว์ใหญ่เลยเนี่ยนะนอนตื่นสายก็ดีเป็นต้นเนยะก็ฟังไม่จบวันนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมฟังไม่จบเนี่ยเพราะในการฟังน้อยหรือฟังเอาแบบฟังลัดฟังไม่รู้เรื่องหรือไอ้ฟังไม่รู้แล้วเข้าใจว่ารู้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็สร้างความเสียหายพวกนี้ก็เลยทงเหมือนกันเพรนั้นก็ถือว่าเสียหายอย่างสมัยใหม่ที่เขาศึกษาผิดพลาดจากคําสอนก็คือเนี่ย ฟังน้อยหรือฟังแล้วไม่จบข้อความรีบทุนพลันน่ยนะยังก็เหมือนว่าได้รับคําสั่งให้ไปที่โน่นรีบไปเลยไปถึงเอมาทําอะไรเนี่ยกลับมาฟังคําสั่งใหม่โอ้นั่นเสียหายขนาดนาั้นนี่ก็เหมือนการผู้ที่ไม่เป็นปหูสูตรเหมือนกันชอบที่จะปฏิบัติยินดีที่จะปฏิบัติแต่ตั้งคําถามว่าคุณปฏิบัติให้เป็นอะไรบอกไม่รู้ แต่อยากปฏิบัติก็แล้วกันปฏิบัติให้เป็นอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรเป็นต้นไม่เข้าใจนี่อาการที่ไม่เข้าใจนี่มันเสียหายอย่างเดียวสมัยพุทธกาลเราได้ยินบ่อยๆว่าพระพิสุทข์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านไปหลีกเล่นท่านไปอยู่ในป่าแต่ท่านเรียนกรรมฐานจากสํานักของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นจนถึงอรหรตัตตมรรคแล้วจึงไปว่าไอ้ข้อปฏิบัติโดยลําดับจนบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ย มันมีกี่ขั้นตอนและมันมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบได้อย่างไงบ้างถ้าจะผิดผิดเพราะอะไรถ้าจะถูกถูกเพราะอะไรถ้าจะเจริญเจริญยังไงเป็นต้นท่านเข้าใจอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่สงสัยแม้แต่นิดเดียวก็เลยไปปฏิบัติท่านจึงทําที่สุดแห่งทุกได้จบด้วยการบรรลุมรรคผลตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็เห็นโทษของการฟังน้อยรังเกียจการฟังน้อยเว้นจากการฟังน้อยแปลว่า ฟังมากทุกอย่างขอรู้แบบพิสดารได้ก่อนถ้าย่อๆไม่ค่อยยากเนีนะเว้นไว้แต่ว่าเป็นคนที่รู้พิสดารดีอยู่แล้วถ้าต้องฟังพิสดารอีกครั้งหนึ่งบางครั้งถ้าเข้าใจเป็นอย่างดีก็บอกขอรวบรัดได้ไหมขอรวบรัดได้ไหมเพราะว่ามันเข้าใจอยู่แล้วนะว่าประสงค์อะไรกันแน่เป็นตน้นมันก็ยินดีที่จะรอบรู้อยากจะรู้ทุกอย่างโดยพิสดารเพราะไม่อยากจะฟังอะไรน้อยเพราะฟังน้อยมันก็เป็นสาเหตุให้เข้าใจผิดได้มาก นี่คนที่ฟังมากเนี่ยนะอันหนึ่งสิ่งแวดล้อมของผู้ที่ฟังมากเราดูจากสภาพจิตว่าใจไม่ค่อยเศร้าหมองเพราะใจจะมีเครื่องอยู่คนที่ไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคนที่ไม่มีไม่มีคำสอนอยู่ในใจเนี่ยมันก็ปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องใจที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยวันวันหนึ่งเป็น1ิบชั่วโมงใจไปในเรื่องไม่เป็นเรื่องบางคนก็บอกอ่างทางานอมือก็าทาไปใจก็ล่องลอยไปนเรื่อย กึงึงวิญญาณพายนจรด้วยซ้ําไปเนี่ยนะเป็นะคนที่ขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนอกนั้นพูดแบบโบราณว่าคนไม่มีขวัญขวัญ น, นี้ดีฟอร์หมดไม่ขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพี๊ดไปด้วยจิตใจก็เศร้าหมองยิ่งทํายิ่งเศร้ายิ่งทํายิ่งหมองยิ่งทํายิ่งขุ่นยิ่งทํายิ่งมัวแต่ถ้าอาริสง์ก็งานฟังทำความเป็นพระหูสูตรแทนที่จะคิดเรื่องอื่นเรื่ อ, เอยเปื่อยก็คิดถึงพระธรรมคำําสอนอนะสาธยายพระพุทธพจน์ให้ใจเป็นไปกับ พระพุทธพจน์เป็นต้นใจก็ไกลาจากกิเลสใจจะไกลาจากความเศร้าหมองใจก็ไกลาจากความขุ่นมัวใจก็ไกลาจากทุกโทษนะทีนี้บริวารของการฟังมากก็คือการเสพการฟังโดยมากนีนะก็คือใช้ชีวิตให้เป็นไปกับการฟังถามว่าชีวิตในการเรียนรู้เนี่ยขอขอแค่ไหนขอเรียนรู้จากโลกภายนอกเนี่ยขอแค่ไหน อย่างเราผู้ศึกษาคำสอนก็ควรที่จะได้ยินได้ฟังคำสอนให้ทั่วถึงที่สุดเท่าที่จะทาได้นะแต่เมื่อใดที่เรามองเห็นว่าการได้ยินได้ฟังฟังเพื่อความรู้ฟังเพื่อความเข้าใจถ้าเราเห็นว่าเป็นอริยสัพเพเราก็จเจริญนนะก็เหมือนกับว่าการฟังแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เหมือนกับการเก็บรัตนะเพราะเราได้ยินได้ฟังพระธรรมรัตนะ ทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าของรัตนะแสดงเอาไว้ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระพุทธพจน์ก็เรียกว่าเป็นรัตนะถ้าอย่างนั้นก็มีประโยชน์มากแต่ที่สําคัญที่สุดจะต้องฟังให้ออกว่าอันไหนเป็นรัตนะอันไหนเป็นบางท่านเขาใช้คําว่าต้องแยกข้าวสารกับขี้หนูให้ออกอนะถ้าแยกข้าวสารกับขี้หนูไม่ออกเนี่ยไม่รู้จะไปหงอะไรก็ไม่ทราบนะนะหงมาจะเป็นข้าวผสมขี้หนูเหมือนกัน่ะ ชั้นใดผู้ที่ฟังธทำถ้าหากว่าแยกข้อมูลไม่ได้แยกข้อมูลไม่เป็นไม่มีเครื่องแยกไม่มีเครื่องคัดข้อมูลลําบากแน่เนยนะเพราะว่าไม่รู้ผิดกับถูกถูกกับผิดมันผสมมันปนมันเปยมันยุ่งไปหมดเลยเนี่ยนะนะจนไม่กล้ามามาเช็คตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตัวเองเพราะมันยุ่งเหยิงเหลือเกินเนี่ยนะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นคําสอนแท้อันไหนเป็น ทำมังสารณังคัดฉามิอันไหนเป็นคําของพระพุทธเจ้าอันไหนเป็นคําของพระเทวทัตที่เสี่อมสอนเป็นต้นก็แยกคําของบัณฑิตกับแยกธรรมของอสสัตว์บุรุษไม่เป็นแยกดีแยกชั่วไม่เป็นนี่หมามันก็เรียกว่าประพฤติไม่ดีและจารณะเลวมากงนั้นตรงนี้เราต้องมีพังหุสัจจะทั้งคุณสมบัติของความเป็นพังหุสัจจะก็คือสามารถแยกหรือสามารถคัดข้อมูลได้ นี่เหมือนอย่างว่าเรียนยามาจนตายแล้วมากินแต่ยาพิษยอย่างเงี้ยนะมันจะสําเร็จประโยชน์ได้ยังไงชันใดการฟังธรรมถ้าฟังมามากแต่ว่าแยกสัตยธรรมกับอสัตยธรรมไม่เป็นแยกการฟังเพื่อเจริญกุศลเพื่อละอกุศลเป็นต้นไม่เป็นก็ถือว่าเป็นคนที่น่าเป็นห่วงมากเลยนะไม่มีอะไรจะน่าสงสารกันนี้อีกแล้วเขาะกันต่อไปบริวารของวิริยะบริวารของความภาคเพียรพยายามคืออะไร คือการน้อมจิตไปในการพิจารณาเห็นภัยในอบายถ้าเราเห็นภัยในอบายทำไมเราจึงทำความเพียรมากขึ้นก็คือคำถามจะมีเราพ้นอบายหรือยังเอาอะไรมาเป็นเครื่องรับรองว่าเราปิดนรกได้แนละ้วเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าปิดเปรตปิดอสุรกายปิดประตูเดรัจฉานทุกบานหมดเลยถ้าถามว่าเมื่อปิดไม่ได้บาปก็ทำแล้วบุญก็ทาไม่มากแล้วทาไง รีบจเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็รักษาสมาทานเยียวยาให้กุศลธรรมเหล่านั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปกาเราเห็นภายในอบา ย, นนะนายเนี่ยนะอีกในเนี่ยเขบอกถ้าเราไปอยู่ในอบายเราจะได้จเจริญกุศลหรือมีแต่เหา่ามีแต่ฮอนอนั่นแหละเนี่ยรู้เห่าอะไรก็โอ้โอยู่ที่ไหนก็ดียินดีมาเหาเพาะวาหมามันเยอะนะเพราะเดรฉาดมากไม่เหลือเกินเนี่ยนะ คือคอที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายเขาว่าให้ไปเกลียดชังมาแต่ว่าข้อปฏิบัติปฏิปทานดาเนินไปสู่ความเป็นอย่างนั้นนอะคืออะไรเดรัจฉานเราอื่นไม่ใช่น้อยก็เหมือนกันเนี่ยนะเราก็จะได้หลีกออกจากอากุศลมาเจริญกุศลและทีนี้เจริญกุศลก็ไม่ใช่เจริญนิดๆหน่อยๆก็เลยพอแล้วเนี่ยนะจะบอกว่าฉันเจริญแล้วทานฉันก็ให้แล้ว นะเซีนฉันก็รักษาแล้วภาวนาฉันก็เจริญแล้วแต่แต่ละอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยไอเจะว่าไม่มีมันก็ไม่ใช่มีแต่ว่ามีนิดเดียวอย่างเงี้ยนะมันมีนิดเดียวก็ถือว่าอันตรายสูงถามว่าถามว่าถ้ามีนิดเดียวมีบุญหน่อยเดียวถ้าใช้บุญหมดแล้วอะไรเกิดกนะแล้วสิ่งที่ไม่ใช่บุญไปเก็บไว้ไหนคะนี้พันบาปที่ทําไว้ไปเก็บไว้ไหนบางคนก็บอกโอ้ยเนี่ยเขาเลิกละทําบาปมานานแล้วเอาเลิกก็เลิกเสร็จแล้วบาปที่ทําไม้ไปเก็บไว้ไหนล่ะมันก็เหมือนกับ ล้อเวียนที่หมุนไปตามรอยเท้าโคเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ปัจจัยเท่านั้นเองบางคนอาจจะบุญอุปธรรมค้ำจุนอยู่บาปเหล่านั้นก็ยังไม่ได้ปัจจัยถ้าอย่างใครที่มีศัตรูเยอะแล้วมีมิตรน้อยเ น, นี่ยนะมีคนดูแลคุ้มครองน้อยเนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่าอันตรายสูงมากฉันใดคนที่มีผู้ที่ดูแลมากแล้วศัตรูน้อยโดยรวมก็ถือว่าเป็นคนที่ปลอดภัย บาปทั้งหลายก็มองเห็นว่าเป็นศัตรูตามเล่นงานโดยประการต่างๆบุญทั้งหลายก็เหมือนกับญาติเหมือนกับมิตรคนที่หวังดีคนที่ปรารถนาดีที่แท้จริงอ่ะนะมันก็เห็นเลยว่าถ้าเราเจริญไว้น้อยเนี่ยเดือดร้อนเนี่ยนะถ้าเรามีมิตรน้อยศัตรูมากอายุสั้นแน่เป็นตน้นหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะการเจริญความเพียร น, นั้นเป็นทางดาเนินของพระริยเจ้าทั้งหลาย เป็นทางดำเนินของพระพุทธสาวกทั้งหลายเป็นทางดำเนินของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายการเจริญความเพียร น, นั้นเป็นทางดำเนินของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าไม่เพียรอย่างแท้จริงจะตรัสรู้ได้หรือแล้วก็การพิจารณาถึงการบูชาธรรมะก็เป็นการบูชากุศลธรรมโดยเฉพาะบูชาสัพพัญยุตยานเป็นต้น บูชาคุณธรรมที่เป็นพระพุทธเจ้าบูชาด้วยกุศลธรรมเล็กๆน้อยๆพ อ, อไหมคู่ควรไหมกุศลนิดๆน่อยๆอยเล็กๆน้อยๆคู่ควรไหมที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นมันก็เลยพิจารณาว่าการที่เราจะบูชาสัมมาสัมโพธิญาณอันเลิศประเสริฐสูงสุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้อีกแล้ว นั้นควรจะเจริญควรจะปฏิบัติบูบชาขนาดไหนจึงจะสมควรแก่โลกุตระธรรมมรรคผลเหล่านั้นต่อไปก็การพิจารณาถึงการบรรเทาถีนมิทะวาถ้าเราเพียร น, น้อยๆเนี่ยนะความตื่นตัวไม่มีขาดความเพียรแความเพียรย่อหย่อนอะไรตามมา ทีน่มิทะก็เข้ามาทีน่มิทธะแปลว่าความท้อแท้ความท้อตอยความเสื่องแล้วก็ซึมเป็นโรคเหมือนกันซึมเศร้านะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเงางอยเป็นโรคหมดเรี่ยวหมดแรงหมดเค่เรว่าโรคหมดกําลังใจเขาั้นโรคหมดพลังทางใจแล้วพวกทีน่มิทธะมันเข้าแทรกแล้วนะมองทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมดมองทุกอย่างเป็นอุปสรรคไปหมดมันอุย้ยสรุปว่าท้อดีกว่าอันนั่นแหละก็คือว่า ทีนมิธานี่มันตัวร้ายมากในการเจริญกุศลเนี่ยนะคือเรียกว่าหดหูบางทีมันก็ลักษณะหดหูเหมือนกันนะสำนวนว่าุคนไม่มีกระจิตกระจใยว่างั้นเถอะไม่มีกระจิตกระจใยที่จะเจริญกุศลอันนั้นก็เป็นลักษณะอันหนึ่งของทีนามิธาคือเราว่าไม่ไม่มีกระจิตกระจใจมันแบบซึมซึมเซ้อเซอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นแหละลักษณะของทีนามิทะก็รู้ว่ากุศลมันมีโทษแต่ก็ขอแช่อยู่กับอกุศลต่อไป ลักษณะนั้นแหละเป็นทีนามิทะเฉยแบบไรปัญญานึ่งอนะ่ะส่วนหนึ่งเนะี่ยทีนามิทะด้วยนะคือคว่ามันไม่ไปเลยนะจิตไม่โอนไปตามกุศลธรรมเลยไม่โอนไปหาพุทธคุณไม่โอนไปหาธรรมคุณสังกคุณมันเฉยเฉยอยู่งั้นแหละคือเรียกว่าชวนท้ายก็แล้วชวนคว้าก็แล้วก็เฉยอย่างนั้นแหละนั่นแหละทีนามิทะเพราะขาดความเพียรเนี่ยนะท่านพิจารณาทํำยังไงที่จะบรรเทาความเพียรแล้วเขาบอกว่าถ้าจะเจริญวิริยะ ท่านบอกว่าเว้นคนเกียดครั้งเนี่ยมันดีที่สุดเนี่ยนะห่างๆหน่อยดีเพราะว่าคบคนเช่นใดก็จะเป็นคนเช่นนั้นเนี่ยนะบอกคนที่น่ากลัวที่สุดในการเจริญกุศลธรรมก็คือคนที่ไม่มีกระจิตกระใจที่จะเจริญกุศลนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยนะใจก็เหมือนกันนั่งแช่อยู่ตรงนั้นด้วยไม่มีอะไรเจริญงอกเงยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยคนเหล่านี้ท่านบอกให้เว้นให้ห่าง เพราะว่าถ้าเกี่ยวข้องกับคนชนิดนี้เนี่ยนะเมื่อไร่เมื่อไรมันก็เหมือนกับต้นไม้ถูกบอลไซเนี่ยนะก็เหมือนกับแบบมันเช้าไปทุกวันทุกวันทุกวั น, วนบัวแรงน้ําทั้งหลายเนี่ยนะมีแต่เหี่ยวมีแต่เช่าก็ลีกลี ก, ลกห่างๆ อ, าออกไกลๆหน่อยจะเจริญเท้ากันแล้วก็คบบุคคลผู้ปรารบความเพียรทั้งกายและจิตคบหาสมาคมคนที่มีความตื่นตัวถ้าเรารู้ว่าเรานี่ไม่มีความตื่นตัวอะไรในการเจริญกุศลธรรม เป็นคนที่เจริญไปวันๆหนึ่งก็ต้องไปคบหาสมาคมคนที่เขามีความตื่นตัวสูงเนี่ยนะแต่ว่าไอ้คนขี้เกียจทั้งหลายก็ไม่ค่อยชอบคนตื่นตัวอกีกมันจะรีบไปไหนก็ว่างั้นจะรีบไปไหนเพราะการครบคนที่ตื่นตัวสูงเนี่ยจะช่วยทําให้ความเพียรของเรานี่แก่กล้ายิ่งขึ้นไปเนี่ยนะถ้าเรายิ่งรู้เหมือนกับว่ายิ่งรู้ว่าเราเนี่ยเป็นไฟแรงต่ำเนี่ยนะเราก็ต้องคบคนพวกที่มีวัยแรงสูงก็ว่างอัน ถ้ามีพลังใจต่ําๆก็ต้องคบกับคนที่มีกําลังใจสูงๆเราเป็นคนท้อๆแท้ๆ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อยู่แล้วเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีความบากบัน่นมองทุกอย่างไม่เป็นปัญหามองทุกอย่างไม่เป็นอุปสรรคมองทุกอย่างแก้ปัญหาได้หมดเนยนะเป็นคนที่จิตใจกว้างใหญ่ไพศาลพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคทุกชนิดในการปกปักรักษากุศลธรรมต่อไปถ้าอย่างนั้นก็บุคคลนั้นก็จเจริญ และที่สําคัญก็พิจารณาสัมมประธานสี่ให้บ่อยๆพิจารณาสังวรประธานปะหานประธานภาวนาประธานอนุรักษนาประธานพิจารณาว่าทำยังไงกุศลจะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปทํายังไงจะล่าอากุศลให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอกุศลที่มันเคยมีทํำยังไงกําจัดให้ได้ที่สุดถ้าเรากําจัดไม่ได้เนี่ยนะอย่างไร้คนเนี่ยบอกว่าทำไมกุศลไม่ค่อยเจริญเลย มันไม่ใช่ไม่เจริญวันนี้เมื่อก่อนมันก็ไม่เจริญเหมือนวันนี้นี่แหละนะว่าเมื่อก่อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ถือว่าภาวะปกติภาวะปกติของผู้ที่ไม่เจริญกุศลเพราะเราจะต้องมีความตื่นตัวสมาทานในการประพฤติกุศลให้มากๆต่อไปบริวารของผู้มีสติเรียกว่าสัตธรรมคือสตินี่นะผู้ที่มีสตินั้นเขาเป็นอย่างไรเขาบอกว่า จิตน้อมไปที่จะเว้นคนที่ขาดสติสัมปชัญญะอันนี้เนี่ยเขบอกว่าเขาเรียกว่าเว้นคนที่ไม่มีศาสรรกะสัมปชัญญะทาอะไรโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์เรียกว่าพอเราทำก็ทําไปเรื่อยเลยนะประโยชน์ไม่รู้มีประโยชน์ไม่รู้แหละขอทําทไปก่อนท่านเขวาว่าหลีกคนที่ไม่รู้จักศาสรรกะสัมปชัญญะไม่รู้ประโยชน์ของการกระทําทุกอย่างว่ามันมีประโยชน์อย่างไร ห่างคนที่ไม่รู้จักโคจระสัมปชัญญะห่างคนที่ไม่มีสัพพายาสัมปชัญญะห่างคนที่ไม่มีอสัมโมหสัมปชัญญะเรียกว่าหลีกเว้นขาดจากบุคคลผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะหลีกจากคนขี้หลงขี้ลืมหลงหลงลืมลืมเนี่ยนะเพราะว่าคือคนหลงหลงลืมลืมเนี่ยพลาดพลาดไปเลยใช่ไหมใชนะอ้วลืมอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมเพราะว่าลืมยังไงว่าโอ้ไปจนถึงรถลืมกุญแจไง ทำอะไรได้งเ้ยไปเป่าๆมันจะรถจะปิ้งไปได้ที่ไหนงเงี้ยจะไปซื้อของลืมกระเป๋าสตางค์าเงี้ยนะพันธะไทยอย่างเงี้ยก็ลําบากแล้วที่สําคัญมากกว่าการห่างคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะหรือเว้นจากความไม่มีสติสัมปชัญญะฝึกเจริญสัมปชัญญะ4ในฐานะทั้ง7ประการเนี่ยนะฝึกเจริญสาสกะสัมปชัญญะเป็นต้นในการไปการมาการแลการเหลียวการคู่การเยี่ยน การกินเดืม่มเคี่ยวเลี่ยมการนุ่งหฮมการขับถ่ายอุจาระยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งเป็นต้นจะต้องฝึกว่ามันมีประโยชน์อย่างไรอะไรเป็นสปายะไม่เป็นสปายะบริหารกรรมฐานในสิ่งเหล่านี้ให้ต่อเนื่องได้อย่างไรสภาวะที่จริงแท้โดยความเป็นขันอาญตนะธาติอินทรีย์สัจจะปฏิจจะในแต่ละสิ่งเหล่านี้คืออะไรเป็นต้นปรับความรู้ปรับความเข้าใจจนเอ่อจนเป็นสติเป็นปัญญาแล้วกลายเป็นผู้ที่มีสติ มีสติมั่นคงไม่หลงหลงลืมลืมเนี่ยนะไม่เลอะเลือนคนละเลือนเป็นยังไงวันทั้งวันนึกถึงคาของพระพุทธเจ้าไม่ได้แม้แต่คำเดียวเนี่ยเรียกว่าโ้หอะไรจะลืมขนาดนั้นบอกในโลกนี้คําของใครหวังดีที่สุดยังไงวะพระพุทธเจ้าถ้าเราจําคําของพระองค์ไม่ได้แม้แต่คําเดียวต่อวันหนึ่งนะอันนี้เรียกว่าสุดยอดถึงการเลอะเลือนหลงลืมเนี่ยนะไม่ไม่ไม่มีอะไรที่จะลืมขนาดนี้แล้วมันก็ยังไงยังไงก็จะลืมอะไรก็ช่างเถอะ จำใครไม่ได้ชาตินี้สมมุติถ้าเราจะเกิดในที่สุรจําอะไรไม่ได้ขอให้จําพระพุทธเจ้าได้ก็อโอเคละใช้ได้นะถ้าจําคําพูดของใครไม่ได้จําได้แต่คําของพระพุทธเจ้าดีถ้าจําความปฏิบัติของใครไม่ได้จําข้อปฏิบัติของพระสารีบุตรเป็นต้นได้อันนี้ดีแต่ยังอื่นจําไม่ได้ไม่เป็นไรเพราําอย่างอื่นมากไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแต่ว่าในที่นี้ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะ ไม่หลงลืมไม่หลงลืมไม่เลอะเลือนระลึกถึงพุทธานุสติเป็นต้นได้อย่างสม่าเสมอและก็ต่อเนื่องระลึกถึงว่าอะไรเป็นทรัพย์ของเราอะไรไม่ใช่ทรัพย์ของเราอะไรเป็นอริยทรัพย์อะไรไม่ใช่เป็นอริยทรัพย์แล้วพอกพูนเพิ่มพูนในกุศลธรรมเหล่านั้นได้อย่างไรทีนี้เหตุให้เกิดสติเนี่ยนะการคบบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะบุคคลผู้มี จิตตั้งมั่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบริวารของผู้ที่มีสติเพราะสติเนี่ยนะรู้คติแห่งธรรมทั้งปวงผู้ที่มีสติได้บ่อยได้มากใจก็จะตั้งมัน่นคนที่ใจฟุ้งซ่านเนี่ยแปลว่าไม่มีสติพันธ์ถ้าเราฟุ้งเมื่อไหร่แปลว่าพื้นฐานที่เราไม่มีสติสัมปชัญญะจึงถึงมีความฟุ้งซ่านพาะน้นสติเนี่เป็นเหตุใกล้อันหนึ่งที่ทาให้เกิดสมาธิพระพุทธเจ้าแสดงสัมมาสมาธิต่อจาก สัมมาสติเพราะสตินี้รู้จักขติความเป็นไปแห่งธรรมทั้งหลายเว้นจากสิ่งที่ไม่ควรถือเอาถือเอาแต่สิ่งที่ควรถือเอาเมื่อถือเอากุศลธรรมโดยชอบใจก็ตั้งมั่น อ, อีกอันหนึ่งนะเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องสติเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่าความที่จิตน้อมไปในสติโอนไปในสติน้อมโน้มโอนไปเพื่อให้มีสติในในทุก เหตุการณ์เนี่ยนะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหลับจะตื่นจะพูดจะนิ่งเป็นต้นก็น้อมไปให้สติสัมปชัญญะเหล่านี้ดำรงมั่นอยู่ในทุกฐานนะทุกเหตุการณ์และสถานที่อย่าลืมนะศาสกะสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะส ป, ปายะสัมปชัญญะและอะสัมโมหะสัมปชัญญะศึกษาสัมปชัญญะทั้งสี่ให้ดีแล้วน้อมโอนเอน็นเอียงไปหาสติสัมปชัญญะ4ี่ใน ทุกฐานะเหตุการณ์และทุกสถานที่ส่วนเกี่ยวกับเรื่องปัญญาเนี่ยนะบริวารของปัญญาก็คือทำความเฉียบแหลมในเรื่องที่สอบถามเรียกว่าปรับความรู้สร้างความรู้สร้างความเข้าใจจนเพียงพอในวิชาที่เราเรียนเขเรียกว่าเราลองคิดโจทย์ดูเนี่ยนะสมมติถ้าเราเรียนเรื่องจริยาปิดกแล้วเรามาตั้งโจทย์ถามเราดูว่าเราเข้าใจแค่ไหนเนี่ยนะเพียงพอไหมเป็นต้นเนี่ยเราก็มาตั้งโจทย์สอบถาม เพราะคําว่าเฉียบแหลมก็คือแลมเนี่ยแปลว่าเจาะอะไรก็เจาะได้หมดอ น, นะฉันใดผู้ที่มีปัญญาก็เหมือนกันก็เจาะลึกในคําสอนได้เข้าใจคําสอนได้ทุกแง่ทุกมุมอย่างทะลุโปร่ปงเป็นต้นอันนี้เรียกว่ามีปัญญาแล้วก็เว้นจากบุคคลผู้สามปัญญาถ้าปรารถนาจะฉลาดก็เว้นขาดจากคนโง่เขลาของั้น แล้วก็คบคนที่มีปัญญาว่าผู้ที่เขามีปัญญานี้เขาเป็นอย่างไรเขาคิดอะไรเขาพิจารณาอะไรไปดูว่าภาษาทีบุตรท่านคิดอะไรที่เรียกว่ามีปัญญามหาปัญญามีปัญญามากปัญญาใหญ่ปัญญากว้างขวางปัญญาลึกซึ้งปัญญาชำแรลกิเลสปัญญาว่องไวเป็นต้นเนี่ยนะท่านท่านคิดอะไรท่านพิจารณาอะไรพระมหากัจจยนะท่านเป็นบัณฑิตมีปัญญามากพระมหากัจจยนะท่านคิดอะไร พระอนุเป็นต้นแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยท่านคิดอะไรเพราะนั้นถ้าเราจะซ่องเสพครบบุคคลเหล่านั้นเข้าเป็นอย่างไรอย่างเราเรียนจริยาปิดกเราก็ศึกษาข้บหาสมาคมกับพระโพธิสัตว์ผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอันนึ่งก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่สําคัญต่อไปที่จะให้เรารู้จักให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและที่สําคัญถ้าฝ่ที่จะเจริญปัญญาจริงบริวารที่จะทําให้เกิด ปัญญาปัญญานี้เรียกว่าญาณนะยญาสิ่งที่ที่ปัญญารอบรู้คืออะไรก็คือญาณณจริยาอันลึกซึ้งขันก็เป็นที่โครจรท่องเที่ยวแห่งปัญญาที่ลึกซึ้งธาตุก็เป็นที่โครจรท่องเที่ยวแห่งปัญญาที่ลึกซึง้งอายตนะสัจจะยินรีย์ปฏิจจสมุบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมนี้ก็ถือว่าเป็นแดนโครจรแห่งสติและปัญญาความที่ พิจารณาขันธาตุอายตนะสัจจะอินทร์ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นมากเรียกว่าเป็นบริวารของผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะปัญญาเจริญงอกงามปัญญาเจริญงอกเงยเช่นนั้นส่วนฌานสี่ฌานสี่คืออะไรปฐมฌานทุติยฌ า, าน ต, ตัติยฌานและจตุทฌานบริวารของฌานทั้งสี่คืออะไร จารณะข้อที่12ถึง15 12 13 14 15ก็คือปฐมฌานทุติยะฌานตาติยะฌานและจตุตฌานท่านบอกว่าจตุปาริสุทิสีนหรือสีนอินทรีสังวรโพชเนมะตัญยุตาชาคริยานุโยกสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นของฌานบุปภาภาวนาคือกรรมฐานที่ เจริญเบื้องต้นเมื่อเจริญแล้วทำให้จนวสีจนชำนาญชนานาญในการนึกชำนาญในการเข้าชนานาญในการตั้งอยู่ชนานาญในการออกชนานาญในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบริวารของฌานเป็นบริวารของสมาธิว่าอะไรเป็นรากฐานประทัดฐานของสมาธิอะไรเป็นอารมณ์ของสมาธิสมาธิที่ดำรงมั่นอะไรเป็นหานะากยพิติภาคยาวิเศษะ ภาคยะจะเข้าได้ยังไงจะตั้งอยู่ได้ยังไงจะออกอย่างไรพี่จารณาอย่างไรเป็นต้นไอ้ความรอบรู้เหล่านี้ถือว่าเป็นบริวารของฌานสี่ปฐมฌานเป็นต้นเออพึงเจาะจงกล่าวตามสมควรถึงความที่จารณะเป็นปัจใจแห่งการสะสมบารมีมีฐานะบารมีเป็นต้นยังคิดดูนะว่าถ้าศีลไม่ดีเนี่ยนะการให้ทานจะเป็นยังไง การให้ทานก็ยากที่จะให้ได้คนศีลไม่ดีไม่ค่อยชอบที่จะให้ทานด้วยยังนลยแล้วก็ศีลไม่ดีก็ไม่อยากจะรักษาศีลอีกนะคนทุศีลไม่ใช่อยากจะรักษาศีลให้มันยิ่งย่งขึ้นไปนะยิ่งไม่ต้องการแม้กระทั่งฟังเรื่องศีลเป็นต้นถ้าหากว่าจารณะเหล่านี้ไม่ดีเนี่ยนะบารมีไม่ว่าจะเป็นเนคคัมมะปัญญาวิริยะคุณธรรมอย่างอื่นก็ไม่ค่อยอยากจะเจริญ พระจารณะทั้ง15ความรู้ความเข้าใจในจารณะ15สิ่งเหล่านี้เกื้อกูลต่อการเจริญบารมีมากเนี่ยนะเกื้อกูลต่อการให้ทานเกื้อกูลต่อการรักษาศีล น, นะไปคิดดูว่าทําไมจารณะ15จึงเป็นเหตุใกล้แห่งการสะสมบารมีทั้ง10บเนี่ยนะนะทำไมเนาะศีลจึงเป็นเหตุใกล้ต่อบารมี10ทําไมอินทรีย์สังวรจึงเป็นเหตุใกล้ต่อการ สร้างบารมีสิบทำไมการรู้จักประมาณในโภชนะจึงเป็นเหตุไรให้สร้างบารมีสิบสะสมบารมีทั้ง10บทำไมการประกอบความเพียรบ่อยๆชาคริยานุโยกสภาวะที่ตื่นตัวเนี่ยนะภาวะที่ตื่นตัวไม่ไม่สับสนไม่งูงงเป็นต้นเนี่ยทำไมจึงเกื้อกูลต่อการเจริญบารมีสิบทำไมศรัทธา ฮิริโอต ป, ปะพาหุสัจจะวิริยะสติสมาธิปัญญาและฌานสี่จึงเกื้อกูลต่อการให้ทานรักษาศีลเจริเนกคัมมะอบรมปัญญาภาพเพียรด้วยวิริยะในการสั่งสมบา ร, รมีเป็นต้นหรืออีกนัยยะหนึ่งเนี่ยนะท่านบอกว่าวิธีการพิจารณาอย่างนี้ว่าเป็นผู้สามารถในการให้อภัยสัตว์ทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์แห่งประโยคเพราะ ประกอบด้วยศีลอินทรีสังวรโภชเนมัตัญญาตชาิริยานุโยกพานผู้ที่มีศีลอินทรีสังวรดีเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ให้อภัยในสัตว์ไม่ยากให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายให้อภัยนี้แปลว่าให้ความไม่น่ากลัวคนที่ไม่ให้อภัยก็คือให้ความขนลุกขนพองสยองกล้าวให้ทุกข์ให้โทษให้ความเดือดร้อนผู้ที่เรียกว่าให้อภัยก็คือ ไม่ให้ความขนพองสยองกล้าวไม่ให้ความเดือดร้อนให้ใหแต่ความสุขให้แต่ความสบายให้แต่ความปลอดภัยเรียกว่าให้อภัยเนี่ยนะผู้ที่มีศีลลักษณะของผู้ที่ให้อภัยให้ความไม่น่ากลัวให้ความปลอดภัยให้ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินให้ความปลอดภัยต่อชีวิตให้ความปลอดภัยต่อบุตรและภริยาให้ความปลอดภัยต่อคาพูดให้ความปลอดภัย อย่างสมมติถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนเมาบ่อยๆเนี่ยนะเช่นขับรถข้างๆคนเมาคันหน้าก็เมาข้างล่คันหลังก็เมาข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเมาหมดเลยแล้วให้คนเมาขับให้ดยเป็นยงไงปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยฉันใดใครที่รักษาศีลเนี่ยก็ชื่อว่าโดยเฉพาะไม่ดื่มสุราและเมรัยก็ให้ความปลอดภัยแก่คนเราอื่นฉะนั้นพันก็ตัวเองก็เป็นผู้ที่มีประโยคกายะประโยควจีประโยคมโนประโยคะ บริสุทธิ์เนี่ยนะบริสุทธิ์ก็เลยทําให้ให้อภัยแกสัตว์ทั้งหลายเพราะคนที่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายประทุษารายสัตว์ทั้งหลายก็ด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเนี่ยนะด้วยกายวาจาใจประทุษาร้ายสัตว์เหล่าอื่นไม่ให้อภัยแกสัตว์เหล่าอื่นนี่ก็เป็นผู้ที่ให้อภัยต่อสัตว์อื่นให้ความไม่ไม่น่ากลัวแกสัตว์อื่นบอกว่าทําไม่ต้องกลัวนะว่าฉันจะให้ จะเอาชีวิตของเธอเธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเอาทรัพย์สินของเธอเธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุตรและภรรยาของเธอเธอไม่ต้องห่วงว่าฉันจะไม่ให้ความจริงเธอไม่ต้องห่วงว่าฉันจะใช้ชีวิตแบบคนไม่มีสติสัมปชัญญะประทุสร้ายทําลายทรัพย์สินของเธอด้วยการดื่มสุราเป็นต้น ผู้ที่รักษาศีลดีก็คือมีกายกรรมไม่มีโทษวจีกรรมไม่มีโทษบริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจาก็สามารถที่จะให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายที่เนื่องจากตัวเองนี่เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยบริสุทธิ์อัธยาศัยบริสุทธิ์มีอัธยาศัยที่ประกอบด้วยศรัทธามีอัธยาศัยที่ประกอบด้วยฮิริโอต ป, ปะมีพหุสัจมีวิริยะสติปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะ ที่จะตรณีในอมิตรที่จะให้ในวัตถุทานทั้งหลายก็สละง่ายให้ง่ายบริจาคได้อย่างง่ายไดย้เพราะนั้นการให้อมิตรอมิตรก็คือวัตถุเ ข, ข้าของเครื่องใช้ก็ให้ด้วยเพราะความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยคือมีอัธยาศัยไม่โลภเป็นต้นอยู่แล้วก็เลยให้ได้ให้คนอื่นได้เรียกว่าเฉลีย่ยเฉลีย่ยแบ่งปันวัตถุเครื่องอํานวยความสุขให้แก่สัตว์อื่น เนื่องจากมีความบริสุทธิ์ทั้งประโยคะและอาสยะจึงสามารถให้ทําเป็นทานได้การให้ธรรมทานได้เนื่องจากคนนั้นเนี่ยมีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจมีความบริสุทธิ์ทางพฤติกรรมและความคิดความบริสุทธิ์ทั้งพฤติกรรมและความคิดนั้นจึงสามารถให้ทําเป็นทานบอกให้คนรู้ว่าอะไร ควรกำหนดรู้อะไรควรและอะไรควรทําให้แจ้งและอะไรควรเจริญเนื่องจากมีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะไม่มีความสะอาดทั้งอาสยะและประโยคะสิ่งที่ให้ไปก็เรื่องให้ยาพิษเนี่ยนะเรียกว่าให้อะธรรมไม่ใช่ให้ทำมันผู้ที่บริสุทธิ์ทั้งอาสยะและประโยคะบริสุทธิ์กายวาจาและใจนั้นจึงให้ให้ทำเป็นทานได้โดยเฉพาะให้ความเจริญงอกงามใน กุศลธรรมทั้งหลายได้แต่ตรงนี้ท่านบอกว่าโอ้ยข้าพเจ้าไม่กล่าวเจาะจงแบบขยายละเอียดยิบหรอกลัวจะพิสดารเกินไปเดี๋ยวไม่จบไม่เป็นก็ว่างั้นท่านบอกว่าท่านให้แนวทางก็พอถ้าทำมาปาละท่านว่างงานนะบอกให้แนวทางพอแล้วแต่ขยายมากเดี๋ยวคัมภีร์เรียนไม่จบกันสักทีกว่างั้นเอ้มาก็ขยายตามว่าตามท่านนี่แหละเดี๋ยวกลัวจะพิสดารเกินไปว่างั้น